ออบรมคอสนวาวมินครั้งที่3มระหว่างวันที่ 24-26 ถึงมีนาคม2560ตอนที่สก็นั่นพักผ่อนนะแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับเมื่อกี้เขาฉายสองเรื่องพระครูเรื่องจี้คงก่อนนะมีนัยยะอะไรนะก็อาจารย์อานี่เจริญสติจี้คงเจริญมรรคจิตเจริญสติเราต้องกำหนด คำว่าที้กงเนี่ยห้ามเรียนแบบนะขี้เล่ากินเนื้อสัตว์เป็นพระอาหารถ้าในสังคมพุทธเถรวาดเราลบไม่ได้เนาะี้คกงไม่มีศีลแล้วเป็นอาหารได้อย่างไรกินเล่าบ้านเราถ้าเข่งหน่อยในสายที่เขาเถือศีลกินเจแล้วก็ยิ่งผิดประีกกินเนื้อสัตว์เนาะเพราะครูก็ชี้ว่าศีลคืออะไร สิมคือความปกติของจิตขี้กลงกินเหล้าแต่ไม่ถูกเหล้ากินตัวเมาแต่จิตไม่เมาเขามองสมองซีกซ้ายเขานี่ยิ่งเมาเท่าไหร่จิตยิ่งตื่นรู้เพื่อเป็นอุบายที่จะไปปลดปล่อยพวกขี้เหล้านะเหล้าไม่ได้กินจี้โกงเหมือนเหมือนเราเหี่ยนทําไมพวกเราไม่ต้องพึ่งเหล้านะพวกเราเหวี่ยงให้มันเมาไม่งั้นไม่เมามันไม่ยอมอาเกียน อาเจียนนี่คือลักษณะขับสารตกค้างออกมาแล้วก็ปรับสม ด, ดุลร่างกายแล้วก็เดินลงปานแต่ที่กงกินเหล้ายิ่งเมาเท่าไหร่ยานรู้จิตก็โผล่ขึ้นมาเพราะสมองนี่ควบคุมจิตไม่ได้เพราะคนบางคบางครั้งเนี่ยทาเหมือนเราเคิบนอนหลับนะมันจะไปขัดแย้งกับที่เราเจริญสตินะเฮ้ยมองก็ขาดสติสิเราเข้าใจผิด น, นะเราทาให้ไอ้สติข้างนอกเนี่ยมันพ่อนแอ เพื่อจะเข้าไปสู่จิตในจิตสติสัมโพชงซึ่งเป็นบา ร, รมีของจิตมันติดตามจิตเรามานาแล้วเนี่ยมันจะแสดงออกนี่คือสติสัมโพชงเราเต้นแม้กระทั่งอาเจียนแม้กระทั่งเราทาอะไรายางตีลังกากันชั้นเรามีสติตลอดแต่เป็นสติสัมโพชงซึ่งอิสระจากสมมุติบัญญัติประเพณีต่าง นี้เป็นยานอย่างหนึ่งนะแล้วก็สติตรงนี้แหละมันจะไปเอาอาดีตบา ร, รมีเราวิชาที่เราเรียนมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้จิตปัจจุบันเดี๋ยวท่าแปลกๆอย่างยังมีหลายท่านผ่อนคลยมากขึ้นแต่ยังอยู่ในท่าเดิมนี่คือกิเลสความเคยชินเราเป็นแบบนี้เราไม่กล้าเปลี่ยนเรากลัวเสียบุคลิกภาพเรากลัวเสียมารยาทมันเป็นสัญชาตญาณมันเป็นกิเลสเรานะ โอ้บางคนมาฟังไม่เห็นที่นี้โอ้หลุดโลกเลยเถ้าคุณไม่หลุดโลกแล้วคุณจะพ้นทุกข์ได้อย่างไงทุกวันนี้เราติดโลกไงประเพณีทางโลกนี่เครียดไปหมดเลยนะไม่ใช่แค่หลุดโลกประเพณีวัฒนธรรมนะเราต้องหลุดจากสามโลกกระถางสวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัตินรกสมบัติไม่งั้นเราพ้นทุกข์ไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่ว่าเราไปทําลายสมบุตินะไม่ จิตต้องอยู่เหนือสมมติแต่ต้องไม่ทำลายสมมติทำลายสมมติบรจักทุบเราก็เป็นสร้างกลับไปเปลี่ยนแต่ตอนนี้เราทำไปทามาเราหลงสมมติหลงความเคยชินเครียดไปหมดเลยอันนี้เป็นคือเทคนิคความเร็วความแรงของเสียงเนี่ยนะเดี๋ยวก็ไปดิ้งกับทิงสปีดเมื่อกี้นะเอาเป็นวเอาจี้โกงก่อนจะชี้ให้เห็นว่าอาจารย์อารมณ์เจริญสติพอเผลอผมลงเลย นะั่นคือเจริญสตินะที่โกงจเจริญ ม, มัคจิตจเรไมีหน้าที่เดินแล้วก็เดินเดินอย่างตั้งมั่นแล้วให้มีเสียงด้วยเห็นไหมเสียงนี่ก็รบกวนครูอาจารย์อาเนะี่ะวุ่งเป็นบดเลยตีไม้ตีห้องดีเ้าเนี่ยนี่คือสาจี่โกงแต่อย่าไปเรียนแบบแล้วไปกวนอาจารย์อีกแกลจะไปยกขึ้นล้มลงไปอีกที้โกงทำให้เห็นอาจารย์เห็นอารมณ์ตัวเองคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มีอัตตาตัวตนนี่แหะ สาสตีกงสอนให้เราเห็นอารมณ์เราเองเราชอบคนไทยชอบไปนั่งฟังทมถ้าพรากูเดี๋ยวจะนั่งนะต้องแต่งตัวดีกว่านี้หน่อยเนาะสำรวมนะพูดสเสน่หหามหานิยมนะบวกจริตเข้าไปด้วยนะอ๊้ยเขิม อ, นะ อ, อ่ปิตินะเออปิติน้าฟังบางทีก็เอาธรรมะอะไรนะธรรมะลื่นเลงอะไรนะี่นะอ้สนุกสนานได้อะไร ได้กิเลสกลับบ้านเนี่ยเราแด้กิเยสกลับบ้านความเพลิดเพลินเราไม่เกิดปัญญาอะไรเลยที่กงเนี่สอนอาจารย์อาตอนนี้ให้เขาเห็นอารม์เขามีอย่างนี้มันมีอาจารย์ตักมอนะซึ่งเป็นพระอาจารย์โพธิธรรมไหยมันจากอินเดียไปประเทศจีนวัดเจ้าหลินก็นิมนต์ใหท่านไปเทศ แ, แรกๆเนาะท่านก็ไปนั่ง นั่งหลับตาปุ๊บเนี่ยพักเป็นลอยๆนะสักพักหนึ่งองนี้เอ๊ะทำไมไม่พูดทักทีหนะึ่งองคนี้สักหมดหิและอง์นี้ชั น, นชโมงกวาแล้ว <c oughs> พอเสร็จชั่วโมงหนึ่งท่านก็ลืมตาท่านก็เดินไปท่านเทศแล้วท่านทำให้เราเห็นอารมณ์หรอต้านนัเราเกิดปัญญา แต่ทุกวันนี้ฟังไปฟังโอ้ยิติยินดีนะได้ฟังธรรมมีแต่ความเพลิดเพลินเนจเริญใจมีแต่กิเลสทั้งนั้นไม่ได้มีปัญญาอะไรเลยนะเราติดรูปแบบมากเกินไปนะการปฏิบัติธรรม ท, ง, ทงแบบไหนก็ได้ที่ให้เรารู้ตัวทั่วพร่อนงะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เหมือนที่เราไม่ดู้ฮเหมือนตีรังกาเหมือนอะไร ไอ้คนี่ขาสติเนีว่าเราเรามองด้วยสายตาที่สติมันต้เป็นแบบข้างนอกเรียกว่าโลกียสติสติตรงนี้ไม่อิสระอยู่ภายใต้สมมติมบัญรดาประเพณีวัฒนธรรมและมารยาเราเครียดไปหมดเลยที่ดากันในสภาเนะี่ยมีสติทั้งนั้นนะถ้าไม่มีสติเราจะด่าผิดนะจะไปด่าว่ามึงชัวง่วด่าว่ากูชัว่ว <c oughs> <c oughs> มีสติขั้งนั้นแนหะมาขึ้นด่าถูกแต่มันไม่มีสิ่งไม่มีปัญญา แต่เราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยมันเป็นสติซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์นะใครไปเที่ยวศูนย์ไปเที่ยวศูนย์นะยี่สิบแปดปีของพวกครูเนี่ยไม่มีวันหยุดนะตื่นเช้าขึ้นมาคนก็เดินดีห้ากว่าเดินไปสารากลัวสาลามันอายเช้าสายบ่ายเย็นทุกวันไม่มีวันหยุดมันเป็นวิถีเราแล้ ว, ลวมันเป็นโพชฌงค์ มันเป็นความปกติไม่ใช่ไม่ใช่มาเข้าเข้าคอร์สเรียนอะไรนะเพียงแต่ว่าที่ลุงเทป บ, บางทีเงื่อนไขเวลาเราจํากัดเออครั้งนี้ก็ขอร้องพวกครูว่าเออบางทีจะ เ, เจอเปิดมินิคอร์ส เ, เล็กพวกครูจะได้มาทุกคนจะได้มาพวกครูเอาเลยการให้ไม่มีเงืนะ่อนไขะเพียงแต่ว่าเขาขออนุญาตว่าเออที่ศูนย์ใหญ่ฟรีหมดนะเออที่นี่มันมีต้นทุนนะจิตอาสา ไม่ต้องมีต้นทุนเขา อ, อาสาไม่ต้องเสียเงินะที่นี่ต้องเสียค่าเช่าถ้าแอร์ค่าอะไรผมเออถ้าจะเจ็บติดให้มันพอค่าใช้จจะเฉยอย่าเป็นธุรกิจเพราะครูยินดีจะมานะอันนี้ก็พูดให้ฟังว่าเราไม่ได้ทําธุรกิจนะเรามาให้ส่วนการให้ทุกวันนี้เนี่ยต้องดูเหตุปัจจัยว่าเออมันถ้ามันมีค่าใช้จ่ายทํายังไงก็ช่างให้มันเลี้ยงตรงประเองได้เท่านั้นเองเราไม่มีเจตนาที่จะค้าขายนะะั่นแหะเรื่อง ที่โกงก็มีนัยาะแบบนี้เห็นไหมการเจริญสติกับการเจริญมังคจิตไม่เหมือนกันมังคจิตคือการทําหน้าที่เรามีหน้าที่เราก็เดินสิเห็นไหมแล้วก็เดินตรงๆไปเลยแล้วใครถึงก่อนกันอาจารย์อาจจะปรับที่โกงนั้นน่จะไปเมาเหล้าไปเที่ยวเตยจะให้ไปอยู่ถ้านั้นสามเดือนบอกไปอยู่ทําไมไปนั่งดูเท้าตัวเองตลอดเวลาจริงๆแล้วถ้าพรุ่งนี้มีเวลาพี่หน่อยจะใช้เรื่องอะไรวัดพระอาจารย์ที่เบต น, นะ อยู่ในถ้าแห่งหนึ่งสามปีเป็นนั่งกรรมาฐานเข้าไปในฌานไม่กินไม่นอนนั่งอยู่จ น, น, นจนเล็บยาหมดผงยาหมดเลยนะนะพอถึงเวลาเขาไปเปิดปุ๊บเนี่ยโอหลับตาเขาก็เอากระดิ่งสันส่นๆให้จิตมันตื่นขึ้นมานะแล้วก็เอามาตัดเล็บมาโปง่งผมแล้วฉลองกันนะึกคิดว่าเป็นวารุษเป็นอัลรหันแล้วนะเป็นน่ากดมันไว้ฮนะสามปีไม่ต้องกินอะไรนะเออไม่กี่วันปุ๊บ มีอารมณ์แล้วเนี่ยแล้วปุ๊บ ก, ก็สืบไปแต่งงานนั่นหละไปนั่งกดมันไว้นะ่ะมันได้แค่ความสงบนะปัญญาไม่เกิดมันไม่ได้สาสตร์าคดีความในนั้นเลยมันไม่ได้ไปเอาเชื้อไว้หน้าที่ทำให้เราไม่สงบออกมาเลยเพียงจะไปกดมันไว้ที่พ่อคูเมื่อวานนี้บอกว่าเราไปกดสปริงไว้กดมันไว้ถ้าโชคดีนะสปริงมันด้านเนาะมันขึ้นสนิมมันก็ไม่เด้งใช่ไหมเห็นไหม บางทีบวนมาสามสี่สิบปีกดมันไว้เด้งพังออกไปเลยเห็นไหมดับทุกดับที่ตนเตหทุกต้องทำลายสปริงซะต้องยื่มันออกยื่มันออกมันดีดนิ้วันต้องขันติอย่าเพิ่งขันแต่ก่อนเอาใหม่เมื่อสปริงตัวนี้นี่มันหมดลทธิแล้วก็เป็นเหล็กเส้นหนึ่งไม่ต้องกดเลยสงบตลอดการนี่คือคำสอนพุทธเจ้าแต่เราไปติดแค่รูปแบบนะเป็นแค่เจริญสติฝึกสมาธิเหมือนอาจารย์อานะที่กลไม่ ไม่กระทำจี่คงในพาาารนะอรหันตะถ้าเมือนไทยเรารับได้เลยคนจีนเขาไหว้ไทไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางซ้ายมือไหว้พระโพธิสัตว์คนรยิ่มถือสินกินเจขวามือไหว้ขี้เหล้าอาหารหันต์จี้คงกินเนื้อสัตว์กินเหล้าเขาไม่ได้ติดรูปแบบเขามองไปที่จิตนะเมื่อกี้นี่อยู่ อันนี้เป็นประเด็นนี้เฉยๆในไหว้กราบไหว้ก็ได้ไม่ต้องกราบไหว้พรากคูไม่ต้องการนะมีแต่ว่าไอการที่กราบไหว้เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกให้เราลดทิฏฐิมานะลดอัตตาเราแ ล, และช่วงที่กราบเนี่ยเป็นการตั้งสติมันจะสร้างศรัทธานะอ้ามีคนตั้งคาถามว่าพ่อคูไปกรรพริทักครู500รอคนนะเราคุยเรื่องนี้มากพวอครูเขาก็สอนพุทธศาสนายอยู่แล้ว ถ้าไหว้พระก็ไหว้าสามครั้งเลยไหว้คนธรรมดาก็ครั้งเดียวก็พอทำไมไหว้พระกูสาครั้งไม่มีข้อบังคับไม่ต้องไหว้ก็ไม่เป็นไรนะมแต่ว่าถ้าถามก็บอกต้องตอบพระอยู่ในภูเขาจิตคนจีนบอกฝ่ใจหลิงซังพระอยู่ในภูเขาจิตแล้วไหว้พระพุทธรูปไม่ได้ไหว้พระพุทธเจ้านะพระพุทธรูปคือสั ญ, ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้า ไหว้เพื่อนแลลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจกิเลสเพราะบ่มเลยรักของในหลวงเราเนี่ยเเราเคารพพราะเราไึกถึงพระองค์มันเป็นแค่สัญลักษณ์เพื่อให้เราได้ลึกถึงเตือนสติแล้วว่าอย่าลืมนะเราจะได้มีศรัทธามุ่ง ม, มั่นถ้าใครไหว้พระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหวแล้วว่าแล้วขออนุนขอนี้ขอโ น, น, น่นเคยหนี้ทําบุญไปร้อยหนึ่งสาทุกให้ถูกราวันที่หนึ่งอดี้ค้ากําไรเกินกเกินพระที่เจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ว่าไหวฐาน่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโน่นขอนี้นะให้พระองค์ช่วยเราเลยพระองค์ช่วยเราไม่ได้พระองค์บอกว่าอัตตหิอัตโนานาถูตนแลยอ่อกลติพึ่งแห่งตนนะนะพระองค์สอนให้เราพึ่งตนเองมีแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เรลือกถึงพระองค์บ้างเนี่ยเพราะเรามีศรัทธาเรายึดพระองค์เป็นสารณะไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นนะนะพระองค์ไม่เคยสอนแบบนั้นเพื่อเพื่อตั้งปฏิฐานให้เราศรัทธาว่าเราจะยอมปฏิบัติเดินตามพระองค์เพื่อไปสู่การพ้นทุกข์นะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ ตักวันนี้พระครูห่อมมาจากอุบลห น, นชั่วโมงหนึ่งนะที่ฝรั่งเศสฮัลโหลฮัล โ, ลโหลหูทิพแล้วนะที่ลอนดอนแสดงเราก่อนเราเห็นแล้วตาทิพแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้ทําให้เราพ้นทุกแต่คําสอนพระพุทธเจ้าถ้าเราทําจริงเนี่ยทำให้เราพน้นทุกได้พระองค์จึงไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละพ่อครูถวายชีวิตนะพระพุทธเจ้าแปลว่าผู้เห็นทำมาก่อน พระธรรมนี่แปลว่าคําสั่งสอนผู้ด้วยเจ้าพวกผู้ถามมาอยู่ไหนนั่นไงตั้งเป็นตู้เลยรุ่นเก่าร้อยเล่มรุ่นใหม่สี่สิบกว่าเล่มเพื่อให้มันจบง่ายขึ้นเนาะพวกวัดใช่เหรอนั่นคำสอนจริงๆเหรอเรียกพวกคุณเป็นใครบังอาจไปเปลี่ยนคําสอนพระองค์จากร้อยเล่มมาอยู่สี่สิบกว่าเล่มนะอันนั้นเป็นคําสอนจริงๆไหมเป็นแค่หนังสือชุดหนึ่งที่บันทึกพุทธประวัติและเป็สิ่งที่พระองค์กล่าวเขาที่กล่าวได้นะ พระธรรมจึงไม่ใช่แช่ไม่ใช่แค่สามคำสอนพระธรรมคือสิ่งที่ถูกเห็นพระธรรมมีอยู่คู่โลกคู่จักรวาลคู่ธรรมชาติมาแล้วพระพุทธเจ้าเป็นตัดสรู้มาเท่านั้นเองแล้วบางส่วนที่เอามาบอกกล่าวก็บันทึกเป็นพระไตรปิฎกแต่บางอย่างพูดด้วยภาษาไม่ได้พระ อ, องค์ใช้คําว่าสิ่งนั้นพระ อ, องค์จงว่าท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิดผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแต่ละ เมื่อเราเข้าถึงธรรมเราจะเข้าใจสิ่งที่พระองค์ตัดสั้และสิ่งที่พระองค์จะบอกเราน่ยมันพูดด้วยภาษาไม่ได้ภาษามันยากเกินไปพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันเน่ยเมื่อกีมื่กี้เพิ่งคุยกันข้างนอกไม่รู้ใครเอาหนังสือตั้งหนึ่งมาเนี่ยอาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตเขียนใส่ครับอาจารย์อะไรนะอาจารย์ครุฑพุทธวัจน์น ะ, นนะนะก็ไปล่อกก็ไปยจิมเบโดบอกอันนี้ของแท้ที่สุดอย่างอื่นไม่แท้ อะลากันทั้งบ้านทั้งเมืองพระก็ทำอะไรผิดหมดอาจารย์ไปดูเครื่อมาชี้แจงไปดูใครผิดกันแน่ลอกเข้ามาก็ลอกผิดแปลก็แปลผิดแล้วจะไปฟังใครผู้ทีเจ้ารู้เรื่องนี้ตั้งนานแล้วนะถึงบอกว่าอยากคุ้เชื่อตำราเพราะตำรายเป็นรูปภาษาเขียนมาปิ๊บเนี่ยเข้าใจไม่เหมือนกันเลยอย่าว่าแต่แปลบาลีมาเป็นไทยเลย ทุกวันนี้คุยภาษาไทยก็ยังมีเรื่องแปรไทยเป็นไทยยังทะเลาะ ก, กันอยู่ใช่ไหมจบด็อกเตอร์สูงสุดคุยกันไม่รู้ภาษาพราะองค์ถึงกันไม่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อกําลาแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อถ้าท่านเปล่งมาเป็นภาษาเนี่ยบังเอินปัญญาเราไม่ถึงเราจะเข้าใจภาษานั้นผิดแล้วก็ทําผิดแล้วก็ทะเลาะ ก, กันทุกวันนี้มีแห่งเดียวในโลกที่พูดอย่างนี้อย่าเพิ่งเชื่อ นี่คือปัญญายิ่งใหญ่ไม่ได้สอนให้คนหลงงมงายภาษาตาหลงะายศาสนาพูดพ่อครูบอกแล้วไม่ได้สอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้คนเป็นคนชั่วสอนให้คนพ้นทุกข์ถ้าเป็ น, เ ป, นเป็นอัตานหะลงว่าตัวเองเป็นคนดีว่าคนอื่นไม่ดีนั่นแหละไม่ดีอย่างยิ่งไปว่าเขาไม่ ม, ไมีไม่มีเมตานะเอาเป็นว่าพูดเรื่องจิตกรมอธิบายอรื่องนี้หน่อยอะไรคือสีเห็นไหม ศีลคือความปกติของจิตทาซานมีศีลห้าอยู่แล้วเต็มเปลี่ยนใช่ไหมมันไม่ต้องถือศีลนะมันไม่โกหกเพราะมันไม่ได้อยากได้ของใครมันไม่ต้องจินเล่าเพราะมันไม่เหงาเพราะมันไม่เครียดนะมันไม่ต้องสูบบุหรี่แตทาสานมีศีลห้าอยู่แล้วแต่ตอนนี้เราเรียนไปเรียนมาศีลห้ามันหายไปไหนหมดรู้มันไม่ได้หายไปไหนนะมันถูกโกกเกินด้วยอวิชาคือความรู้ผิดไงอ่าก็คิดตามภาษาเนี่ยภาษาไทยมาจากไหน มันตกมาจากฟ้าหรือมันมีอยู่ตามธรรมชาติหรือไม่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยพอ่อขุนรามเป็นคนตั้งระบบศาสนา้ระบบภาษาขึ้นมาก่อนหนะ้าพอ่อขุนรามคนไทยใช้อะไรสื่อกันภาษามันไม่ใช่ความจริงมันไม่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติมนุษย์สมมุติขึ้นแตมน่มันมีประโยชน์ถ้าเราใช้มันเป็นแต่ตอนนี้เราใช้มันมาด่ากันเองก็ภาษาใช่ไหมละ่ะไม่มีภาษามันด่ากันรู้เรื่องหรือเปล่าเห็น ไ, ไหม ภาษามันไม่ด่าใครนะมันไม่มีภาษาแล้วมันไม่มีความอยากมันไม่ต้องการชนะใครมันก็เลยมีศีลไงนะเพราะกูบอกนะสี่สิบปีเพราวิ่งไปตามโลกก็ไม่มีศีลศีลห้าบอกให้ทําไปทําหมดยี่สิบแปดปีมาอยู่ในป่านั้นก็ไม่ต้องถือศีลดีแต่ยี่สิบแปดนี้ปีนี้เนี่ยไม่ทําชั่วแน่นอนเพราะมันจัดการต้นเหตุของมันอะไม่ใช่มันทําลายความอยากนะมันฆ่าไอ้คนที่มันอยากทิ้งแล้ว เมื่อมันมีคนอยากแได้คนมีใครจะไปคิดละ่ะแม้กระทั่งมนันหัวกะมันไม่ต้องคิดเลยนะที่เราคิดเพราะเรามีความอยากมีอนาคนตเราจึงคิดวางแผนไงนี่คือสุญญาตาว่างจากตานะก็ชี้ให้ดูว่าอะไรคือเจริญสติอะไรคือเจริญมรรคจิตนะอาจารย์อาเจริญสตินะแล้วก็ไปหลงว่ามันดีไนงะดีมันดีระดับนึงก็สงบระดับหนึ่งนะก็เลยจะบังคับให้จีโกงทางเหมือนตัวเอง เมื่อเราลงวิชาการเราเราหลงว่าเราเก่งนะมันดีนะเราก็อย่าให้คนอื่นเหมือนเราเน่ะหวังดีประสงค์ไรนะบางทีเราโง่เราไม่รู้เราคิดว่าเราฉลาดแล้วก็บังคับให้คนอื่นเขาโง่เหมือนเราตอนนี้สังคมมันมันเป็นอย่างนี้นะแต่เราเปลี่ยนสังคมไม่ได้แต่ชีวิตเป็นของเราเราเปลี่ยนเราให้รู้เท่าทันสังคมได้อยู่กับมันไม่ใช่เป็นหนีมันนะตอนนี้ศูนย์อุบลเราสอนเด็กๆให้อยู่กับโลกให้ได้ ให้รู้เท่าตานโลกไม่ใช่ไปตามโลกตามไปว่าไม่ทันไม่ใช่อิศรให้เด็กๆให้มันมีความรู้ไปประเมินความรู้กันใครจําเก่งคนได้เขียนติโยมระดับหนึ่งทำอะไรก็ไม่เป็นเลยเราสอนให้เด็กฝ่ายเรียนรู้ไม่ใช่มีความรู้ถ้าเขาฝ่ายเรียนรู้แล้วความรู้ทุกวันนี้ไม่ต้องเรียนมันกดทีเดียวมันถามมากูก็ได้เนอะอาูเนอะให้บอกอาขู่มันบอกไปหมดเลยไนงะองค์ความรู้ไม่ต้องไปจํา ต้องสอนให้เขามีความรับผิดชอบฝ่ายเรียนรู้แล้วเขาจะรู้อะไร เ, เขาแสวงหาแต่เขาไม่ฝ่ายเรียนรู้เนี่ยมันก็ไม่หานะ่มันขี้เกียจไงมืนมัวแตเล่นเกมเห็นไหมละ่ะสอนให้เด็กฝ่ายเรียนรู้นะอันนี้พี่กงและเรื่องแรกนี่สำคัญมาก King speed นะใครดูแล้วก็ช่างดูอีกแล้วจะเข้าใจมากขึ้นบังเอิญว่า อย่าไปดูเป็นเนื้อเรื่องเนื้อสารส า, สาพราวกพวกกูพวกให้แก้วเจ็บเนี่ยตัดตๆอันนี้ย่อสั้นที่สุดยังยาวนะบางทียาวเกินไปนะแต่ทีนี้เอาแค่ให้รู้เรื่องนะ mm hmm. ฟ้าชายจอดเนี่ยจอดที่หกของอังกฤษอันนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นประวัติศาสตร์ประเทศประเทศอังกฤษ น, นะ mm hmm. เป็นโลกติอ่างเห mm ็น hmm. ไหมยิ่งมีหัวโขนมีอะไรเนี่ยยิ่งประมา กลัวจะทําไม่ได้ดีก็ยิ่งยิ่งพูดไม่ได้รักษามาเยอะแล้วพอมาเจอหมอคนสุดท้ายเนี่ยไอ้นี่ก็าพิเรนเนะมันกล้ามังอาจไปคุยกับฟ้าชายอย่างนี้สูบบุหรีก็ไม่ให้สูบถามชื่อด้วยเรียกว่าอะไรก็บอกให้เยกฝ่าบาทมันไม่ยอมเรียกถามชื่อจริงชื่อเล่ น, นถ้าเป็นประเทศอื่นถูกตัดคอไปแล้วนี่คือเขารักษาเขาทาลายอัปปาโลก ที่เขาเป็นน่ยมันไม่ได้เป็นอยู่จริงร่างกายไปเอ็กซเรย์อะไรเราไปหาไม่รู้เรากามันเกิดเพราะอะไรมันต้องติดอามันเป็นโรคอุปทานโรคอุปทานต้องแก้โดยเขาเรียกว่านามยอกนามบว์ต้องทําอะไรเป็นพี่เลนพี่เลน พ, ลนพิสดารแล้วก็แหวกแนวแหวกแนวคือนอกกรอบนะเพราะว่าอุปทานเรามันบล็อกให้เราอยู่ในกรอบอยู่แล้วเราต้องทําอะไรนอกกรอบ แล้วพวกเราเต้นเรา ล, ลําเนี่ยเขาบอกปฏิบัติธรรมมันนอกอกรอบไหมมันพิสดารไหมมันแห่คอกไหมไม่งั้นเราทําลายอุปทานเราไม่ได้แล้วมันแปลกที่มันแปลกเนี่ยไอ้เรื่องนี้ประวติศาสตร์นี่ของอังกฤษเนี่ยนําเกือบร้อยปีแล้วนะพระครูเพิ่งหนึ mm ่ง hmm. เพิ่งไปเห็นเน่ยไอ้นี่เขาเพิ่งเอามาฉายเนี่ยสองปีที่แล้วบอกให hey, ้แก้วแ้วไล่พระครูหน่อยหนึ่งแล้วทุกคนดูรายละเอียดไหมในนั้นะมันมีแหกปากล้องด้วยใช่ไหม นองอยู่น่หละแล้วมันไปยืนเช็คเช็คเใช่ไหมแล้วมันก็จับจิ้งจิงใช่ไหมพวกเรายังไม่ถึงขั้นเจ๊จกกิ้งนะบางทีอาจจะชั่วโมงเย็นนี้แ ล, ววแล้วพรุ่งนี้เราอาจจะจิ้งเลยนะถ้าเราจะสมน์ท่าทีนะปล่อยเลยกิ้งเลยนะกระบวนการที่จิ้งนี่คือทําลายอัตราทําลายเราต้องวางฟรองใช่ไหวางท่าทีใช่ไหมพอจิ้งแล้วหมดท่าเลยใช่ไหมมันเป็นการทําลายอัตราที่ดี เฮ้เราเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้มามาร้องมาลัมอย่างนี้มันอายเด็กเวย้ยนั่นแหละอายคือกิเลสไงเป็นอุปทานไงเพราะครูยังสงสัยว่าใครเซตอัพโปรแกรมนี้ขึ้นมาจิตพวกครูทําไมเซตอัพโปรแกรมมันขึ้นมาแล้วไปดูค i n g ป p ดมันมีมาตั้งเป็นร้อยปีมีมาตั้งเป็นพันพันปีแล้วล่ะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยมันรู้ว่าทําอย่างนี้ไง มันไม่มีหนังสือเล่มไหนบอกว่าให้เราทำอย่างนี้นะคือเราเห็นจิตไงอุปทานของจิตต้องแก้ด้วยทำอะไรที่ฝืนกิเลสเราฝืนความเคยชินนะต้องทำอะไรที่พิสดารเห็นไมมันแล้วอีกจี้ล้านปีข้างหน้ากะ็ะชัางถ้าเราเข้าไปถึงจิตปุ๊บเนี่ยถ้ามันจะรักษาอุปทานต้องรักษาแบบนี้มาทำลาย ความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปยึดติดมารยาทประเพณีทุกอย่างเห็นหเราในโลกใบนี้ก็แล้วกันวั้นธรรมไทยเราก็สร้างอุปทานมาแบบหนึง่งจีน ก, ก็แบบหนึง่งฝรั่งก็แบบหนึง่งเห็นหมพราะครูเคยมีร้านอาหารที่อเมริกาตายยายคู่หนึ่ง เขาสวีดกันมากทุกคืนวันสุกก็มากินร้านทุกวันสุกร์เขามานั่งก็ไม่ต้องสั่งเลยอาหารประ จ, จํามันมีอยู่แล้วเขาก็จีบ แ, บแก่แล้วนะจีเป็นเก่งมากคนนี้ก็คุยว่าจำถึงสุกร์เขาทํางานอะไรคนนี้ก็บอกเขาทํางานอะไรพอออกไปนอกร้านปุ๊บเขาก็ยืนกอดจูบปจนตอนั้นคนไทยบอกว่าไอ้นี่ไม่มีมารยาไอ้นี่ไม่สมรวมไงจริงๆแล้วเขาสวมสมรวมอย่างมากนะถ้าก็ไม่สมรวมหรือเขาไม่ได้จูปานะเขาจูจมูกนะนี่มันจูผิด น, นะ แต่เราใช้สายตายความเคยชินเราไปมองไงเห็นไหมเราก็สร้างอุปทานขึ้นมาแล้วก Th ็ยึดมั si> ่นถือมั yes ่นแล้วก็ทุกมากถ้าจะเปลี่ยนอุปทานเราใช่ไหมให้ทุกคนเข้าใจว่าไอ้โปรแกรมที่เรามาเข้ามาเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อมาล้างอุปทานเราพราะครูตั้งแต่วันแรกนะแล้วก็เต้นนะเต้นเป็นอย่างนั้นแหละเนาะเต้นตามมารยาเขาให้เต้นเนี่ยก็ยังลึกๆยังควบคุมอยู่ แต่ละชั่วโมงแต่ละชั่วโมงก็เริ่มเริ่มคายขึ้นเริ่มคลายขึ้นคลายขึ้นเดี๋ยวไม่ใช่วันเต้นยอะเลงไปคริ้งเลยนะกริ้งเลยตอนที่กริ้งในอิสลามมากจิตไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะลงไม่ลงแล้วมันแรงมากนะร่างกายไม่ทันหรอกแต่ว่าอย่าไปฝืนมันทํานั้นเองบางทีกิ้งไปกิ้งมาจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรม เรามาทําในสิ่งที่เราไม่เคยทําเรามาฝืนกิเลสเราและเราจะเห็นกิเลสใช่ไหมไม่ใช่ว่าไปนั่งทําสมาเอาสมาธิอย่างเดียวไปกดมันไว้เอาเอาพลังชางเนี่ยดันให้เขาไปอยู่ในชาแนะคนนั้นเมื่อวานนี้ยืนเช็คแอแดนปุ๊บก็เข้าไปอยู่ในชาสมาไฮตอนนั้นอะ่ะไม่มีอะไรกระทบชั้นได้ฉันอยู่ในโลกส่วนตัว ยืนอยู่ในฌานี้นะไม่ได้ผิดนะบางครั้งก็ไปพักก่อนถ้าท่านติดอยู่นั้นนานๆเนี่ยก็ติดสุขในฌานมันไม่เกิดปัญญานะเราก็เข้าไปในฌานของจิตนี่แหละเข้าไปในจิตในจิตแต่ไม่ไปหลงติดอารมณ์นั้นอารมณ์สุขนะมันไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะเราเข้าไปปุ๊บเราก็ออกมาธรกกายภาพให้มันเซลล์กายภาพกายเวทนาจิตทารวมเป็นหนึ่งเดียว นี่คือมหาสติปัฏฐานส่วนตรนนี้มีหลายแนวที่เราฝึกเราฝึกอนุสตินะมีการกำหนดสนมากู่ในฐานกายนะการเคลื่อนไหวของกายนะลมหายใจอะไรแบบนี้ทำไปทามานะถ้าพักูให้ลำดับของเมืองไทยเราลำดับแรกก็คือว่าไอ้ที่เริ่มต้นเลยคือลมหายใจพุทธโธเอาลมหายใจเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับกายด้วยมันเป็นของนอกกายซึ่งใกล้ชิดเราที่สุด แล้วมันอยู่ข้างนอกแล้วร่างกายต้องการมันก็เอาไปข้างในได้อันนี้เบื้องต้นให้จิตสงบนะมาแล้วก็ถัดลงมาเอาการเคลื่อนไหวของร่างกายหวาหนอซ้ายหนอยุบหนอพองหนอนะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็อย่างรูวงพเทียนนี่สิบีจังหวะนี่การเคลื่อนไหวของร่างกายอันนี้ขึ้นมาเก้าอีระดับหนึ่งนะคืออันนี้อย่างหดบาปละ แต่ยังมีการกระทําสั่งการอยู่มันเป็นเทคนิคให้เราจดจ่อมีหน้าที่การมีหน้าที่ตรงนั้น<ม>เพื่อให้ระวางความคิดถ้าเวลาเนี้นเราจดจ่อกับมันระวางความคิดได้มันก็เกิดความสงบความว่างความสุขก็เกิดขึ้นไปเพ่งโน่นเพ่งนี่ในกายเพ่งดวงแก้วเพ่งอะไรก็เป็นอุบายวิธีเป็นการเพ่งกระสินะโอเคถ้าเราจะข้ามพ้นฐานกาย จะเข้าไปจูดฐานเวทนาบางคนก็ไปนั่งดูสรากศพเห็นไหมอสุภสิท์นะมีสิทธ่าถ้าน้นดูให้มันเกิดสังเวชบางคนอ้วกออกมาเลยนะนะอันนี้ข้างนอกแต่ถ้าอาสุภแบบดูข้างในเรียกว่ากายคตาสติเข้าไปดูข้างในเนี่ยจินตนาการเอาเองโอ้มีตับไตเริ่มจากว่าเราฉีดหนังออกไปโอ้เห็นเลือดเห็นหนองนะ เห็นตับไตไส้พุงแล้วก็เห็นอ น, นิจจ์เนี่ยบางทีมันอาเจียนออกมาเลยนะสังเวชมันเป็นอุบายทําให้เราจางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพนี้อันนี้คือเวทนาในเวทนาเออถ้าดูทุกวันทุกวันมีคุณหมอคนหนึ่งเขาบวดปุ๊บเขาก็ไปเยี่ยมพ่อครูแกบอกว่าถ้าไปดูตับไส้ไส้พุงบรรลุธรรมผมบรรลุอยู่แล้วผมผ่าตับด้วยมือผมเองเลยไม่ใช่ไปจินตนาการเอานะ จินตนาการมันก็สร้างภาพขึ้นมาเกิดสังเวยเียนไเห็นมมันสร้างเวทนาขึ้นมาเห็นบางสายก็ไปนั่งทรมานแบบไหนก็ชั้นนะเพื่อให้มันเกิดเวทนาแล้วก็เอาเวทนาโดนนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติมันไม่ได้ผิดมันเป็นระดับชั้นนะทำไมทำมาเมื่อดูทุกวันทุกวันแล้วเนี่ยมันก็ด้านล้วไงเห็น ไ, ไหมทีแรกก็จินตนาการมันก็เกิดสังเวี จิตอการทุกวันน่ะมันด้านแล้วมันไม่ได้สังเวชอะไรเลยโอ้บาหันเวทนาที่นี่ก็มานั่งดูจิตบ้านหลังนี้คิดว่าจิตไปนั่งดูมันก็เห็นเงาของบ้านเห็นอารมณ์ข้างนอกเนี่ยเป็นแค่เวทนาเหมือนเก่าเนี่ยแหละนะแต่มันละเอียดขึ้นแต่ว่าไปสองหน้าต่างดูบ้านมันยังเปื้อนอยู่เหมือนเก่าเลเป็นนั่งไปจนตายมันก็เปื้อนเหมือนเก่าไม่ได้ไปขัดเก่าจิตให้โปร่งใสเขาว่าจิตในจิตไม่ใช่เป็นนั่งดูจิต เปิดประตูบ้านเข้าไปในจิตในจิตไปขัดเกาจิตให้ผ่อนใส่เมื่อลนโดดเข้าไปแล้วไอ้ธรรมในธรรมธรรมอารมณ์เนี่ยเราจะสามารถสัมผัสได้ว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยเออมันเป็นยังไงเห็นไหมอารมณ์มันเป็นยังไอองไอารมณ์นี่คือธรรมในธรรมธรรมอารมณ์นะนั่นแหละเข้าไปขัดเกาจิตต้องไปเข้าไปในจิตในจิตเราจึงเสียจธรรมในธรรมถ้าไม่เข้าไปใจนจิตในจิตเนี่ยอารมณ์โพดชงซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมในธรรมเนี่ยมันจะไม่แสดงตัวสติสัมโพดชงจะไม่แสดงตัว นะอันนี้คือสติปัฏฐานสี่ผู้เจ้าสแสดงนะมันมีอนุสติสติเล็กๆพัฒนาไปสู่สติมันคือไปทีละขั้นที่ที่ฝึกแบบทีละขั้นใช้พลังฌานอั ด, อ, ดอัดเข้าไปก็เข้าไปในจิตได้และลืมชาติได้โดยเฉพาะสายวัดป่าเราครูบาอาจารย์ใหญ่ของเราทางอีสานก็คือหลวงปู่มัน่นะท่านก็มารู้ทำนะอันนั้นคืออีแบบหนึ่งแต่ท่านไม่ได้แสดงถึงกายภาพ มันก็เป็นแค่สติปัฏฐานสี่ยังไม่ใช่มหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐานต้องรวมฐานทั้งสี่เป็นหนึ่งเดียวในขณนะจิตเดียวเรารับวิบากกรรมเรื่องกายภาพด้วยมันก็จะไ ด, ได้รักษาปรับสมดุลของร่างกายด้วยอันนี้คือผลผอยได้ไม่ใช่ทางลัดไม่ได้เอาเปรียบใครมันเป็นทางตรงๆเร็วขนาดนี้เหรอไม่เร็วเสียเวลามาหลายชาติแล้ว นั่นแหละเจตนาคือเข้าไปในจิตในจิตไปทําในธรรมเพื่อไปเอาบารมีเก่าโดยเฉพาะโพ่อชงที่เราเรามีสติสัมโพชงวิริยะสัมโพชงเธรรมะวิริยะสัมโพชงสมาธิสัมโพชง์ปัจจิตสัมโพชง์อุเบกมีอยู่แล้วเอามาต่อยอดเนี่ยเขาเรียกว่าโพชอชงเจ็ดนะโพ่อชงทั้งเจ็ดอันบุคคลเจริญทําให้มากแล้ว ย่อมทาวิชาชช้างสองตัวมันก็ฟื้นขึ้นคือตัวปัญญานั่นแหละเมื่อมันมีปัญญาแล้วมันก็จางไขความยึดมันก็วางได้วิมุตติก็สมบูรณ์วิมุตติคือความบุทนนะถ้าเราไม่เข้าไปในจิตในจิตเราไม่เข้าใจคําว่าโพดจงวิท่จะอ่านหนังสือว่าโพชฌงโพจงมนะมันคืออะไรเราเข้าไปได้พอมันเทคแอคชั่นเองมันเคลื่อนไหวเองมันลำเองนั่นแหละเราถามว่าใครลำไม่ใช่สมองปัจจุบัน ไม่ใช่จิตปัจจุบันแน่นอนเขาเรียกว่าอินไซต์เอาอารมณ์ข้างในมันสั่งกยายภาพเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันกายเวชนาจิตทั้รวมเป็นหนึ่งเดียวเราไม่ได้พิจารณาอะไรเรารู้ตัวทั่วพรรู้แบบนั้นนะนี่คือการเจริญมรรคจิตนะครับก็ที่ให้ดู킹สปีดเนี่ยนะก็คือให้เข้าใจสิ่งที่เราทำด้วย โรคอุปทานหลายๆโรกเนี่ต้องแก้โดยทําอะไรที่มันแหวกแนวเพราะว่าอุปทานมันไม่ยอมแบบแนวมันยึดมั่นหรือมั่นในรูปแบบที่เขาเคยฉิตถ้าเราถ้าจะทําลายกิเลสตรงนี้แล้วเราต้องทำอะไรที่สวนทางนะอยู่ๆจะมาให้เต้นมาให้ราเนยมันอายุขนาดนี้แล้วนะมันอายวะมันมันเขินวะ่ะนั่นแหละ อายก็กิเลสไงเขินก็กิเลสไงแล้วก็เห็นกิเลสเราแล้วไงเห็นไหมไม่ใช่ไปเรียนรู้เฉยๆแล้วก็ต้องทำเลยต้องทำได้พอทำได้ปุ๊บไอ้กิเลสมันก็อ่อนลงต่อไปเป็นสังการเราไม่ได้นะมีฝรั่งคนหนึ่งถามพวกครูว่าพวกครูสอนให้เบี่ยงทิ้งเหี่ยงทิ้งถ้าผมเบี่ยงไปเรื่อยๆผมจะลืมแม่ผมหรือเปล่า เขาคบาิดแบบตากานะไม่ใช่เวี่ยงแม่ทิ้งนะเวี่ยงความยึดมั่นถือมั่นทิ้งและเราจะรักแม่วัวเก่าแต่รักแม่แบบชาญฉลาดไม่ใช่ว่าแม่เป็นเบาหวานนะแม่บอกว่าช่างกูมึงซื้อของหวานให้กูกินยังใก็ตายล้วให้กูมีความสุขหน่อยไม่ได้เหตอเราลักแม่แล้วก็ซื้อของหวานให้แม่กินนระักแม่เอะวางแผนให้ตัดให้แม่ตายปอดสูง ความกตัญญูต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้ไปว่าสนองตัญหานะไปสนองตัญหาแม่ไปตามใจแม่ให้แม่เป็นเบาหวานแหรงขึ้นเห็นไหมรักแม่ต้องพาแม่มาปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมให้แม่เวียนแข็งแรงในเบาหวานมันก็หายไปทุกวันนี้ไปโรงพยาบาลที่ไหนมีแต่ห้องตรวจโรค ไม่เคยเห็นห้องตรวจคนเลยค น, นนี้ไปนั่งอรงอสามชั่วโมงมาปุ๊คุณหมอจิ๊บจิ๊๊๊วินิจฉัยโรคเอาอยาไปหลงนะหมอในอดีตเห็นคนไข้ทุกวันหมอทุกวันนี่เห็นแต่ไข้ไม่เห็นคนไข้นี้ราคาแค่นี้ไข้ น, าา น, ขนี้ราคาแค่นี้คนนี้ไม่มีเงินอาจจะไม่เห็นหมอก็ได้คือมันกลายเป็นธุรกิจแล้วเนาะเป็นธุรกิจทีจริงแล้วเนี่ยมี เออคุณหมอฝันที่นี่เยอะแยะเลยนะมีเรื่องหนึ่งนะมีขโมยคนหนึ่งไปปล้นเงินเขามันวิ่งหนีหนีตำรวจมาบังเอิญมันระหว่างทางมันปวดฟันมากเรื่องที่ไทยรัฐลงเมื่อปีที่แล้วนะก็คุณไปอ่านนะมันก็วิ่งเอาไปัญญล้างมันก็เอามีดจี้คุณหมออย่าพูดมากปวดฟันถอนหมอก็มืนสั่นถอนให้มันมันก็วิ่งหนีอีกเหรอ ทีนี้ตำรวจจับได้ถามว่ามังไปไหนมาบ้างมึงก็บอกไประมานห ม, หมอฟันก็เอารูปมันไปให้หมอดูหมอบอกไม่เห็นไม่เคยรู้ทีนี้ไปอ้าปากมันถ่ายรูปฟันมาให้หมอเออจาได้แล้วเด็กมันเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยหมอเห็นแต่ฟันเนี่ยไม่เห็นคนก็เห็นได้ยังไงมันจะแทงเอาเราวิ่งมุ่งเน้นที่จะรักษาโรคนะเราไม่เห็นคนเราเห็นแต่ไข่นะตอนนี้เป็นอย่างนี้นะ เราการรักษาขึ้นเป็นอย่างนี้ไงก็ไปถ้าถามพ่อคูนอย่าอย่ารักษาโลกนะไปรักษามันไว้ของเาเนะเวียงมันทิ้งรักษาชีวิตเราเนี่ยโลกไม่ต้องรักษาเวียงมันทิ้งเวียงจริงๆหายหมดฟังพ่อคูนนะไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับผลของการไม่มีแม้แต่หนึ่งโรคไม่เกี่ยวกับการเราสร้างเหตุยังไงแล้วรับไปอย่างนั้น มีสติท่านหนึ่งมาจากอังกฤษเป็นคนไทยไปไปโตที่อังกฤษมาเที่ยวเมืองไทยปุ๊บเป็นอมพาสาวิ่งรักษาอยู่สามปีเงินหามาตลอดชีวิตนี้หมดเลยไม่มีทางไปได้ยินข่าวที่ศูนย์ก็ไปอยู่กับพ่อครูเดินสามเก้าก็หอบหอบล้เข็าใจไหมเขาหัวใจโตนะเพราะเวียงเข้าไปในจิตเนี่ยเขา หักนิ้วตัวเองเขากดเขากรล้องยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งกดถ้าเราใช้ใจทำกล้าไหมไม่กล้ายิ่งโลคพวกนี้เน่นมันมันมันขีน้เกียจ น, นะเพราะว่ามันเหนื่อยมากอันนี้มันกดกดกดกดกดล้องทรมานมากต้องประมาณเดือนหนึ่งเดินเฉยเลยตอนนี้เขารู้เลยว่าเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันเขาเห็นทุกเส้นละเส้นเท่าเลยนะ เขาจายหนี่กรรมทางจิตแล้วเขารู้เลยว่าเขารายงานพ่คปูน่ะอ๋อที่เขาเป็นอมาภาพเนี่ยชาตินี้เขาเป็นเมียน้อยคนเขาบอกเป็นเมียน้อยที่เลวร้ยมากแก้แก้เมียหลวงนะแล้วก็ทำให้เขาเป็นโรคหัวใจโตนะมันก็ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงสมองไม่พอไงใช่ปเขาเห็นขบวนการของมันนะเห็นกระแสกรรมที่เขาทำเมื่อเขาจายจนี่กรรมตอนนั้นแล้วเนี่ย เขาทำให้ตัวเองเจ็บนะยิ่งเจ็บมันก็ยิ่งกดถ้าเราใช้ใจกล้าไหมไม่กล้าจิตมันรักษาเขาเขาฟืน้นนะตอนนี้เดินเป็นสามกิโลก็ไม่เหนื่อยแต่ไม่ใช่ทุกคนทำได้ถ้าเราไม่ศรัทธาบางคนถามว่ากูต้องลงล ง, ลงทุนแค่ไหนตายต้องยอมตาย โรคบางโรคต้องแลกด้วยชีวิตสมมติเราไปฆ่าเขาอดีตจะเป็นเราเป็นขุนศึกสมัยโบราณเนี่ยฟันต่อฟันเลยนะฆ่าปุ๊บันทึกฆ่าบันทึกบันทึกนี่ชีวิตหนึ่งก็ต้องจ่ายได้อีกชีวิตหนึ่งทีนี้เราจ่ายนี่กรรมทางจิตเราตายในกรรมฐานคนนั้นชั่วโมงที่แล้วตายกี่ชาตนะิมาจากสวีเดน กายเป็นแก่ปุ๊บตายกายเป็นแก่ปุ๊บตายอันนี้เราไปริมล้นความตายเหมือนเราตายจริงๆเหมือนเราเสพอารมณ์ตายจริงเบางคนไม่เชื่อนะสพว่ในชีวิตจริงเราถูกลถชดเปึ้งขาหักโรคเขาหยอบอลโอ้ยเราต้องจ่ายหนี้กรรมด้วยความทุกขตอนนี้เราก็เหมือนกันทุกในกรรมฐานมากกว่าทุกอยู่ข้างนอกในี่จ่ายดอกเบี้ย ทุกในจิตจ่ายเงินต้นด้วยนะก็เหมือนกันไงไม่งั้นเราฆ่าเขาหลายชาติเป็นพันคนเนี่ยเราไปตายครั้งหนึ่งมันก็จ่ายได้คนเดียว เ, ยเรื่องนี้ยี่สิบแปปีพระครูเห็นหมดแต่ที่สูตรไม่ได้ชูถงเรื่องนี้สังคมไทยต้องระวังถึงจะจิตใจบริสุทธิ์มีกุศลให้ฟรีก็ท่างเดี๋ยวมีของของแถมมาตั้งข้อหา เราปฏิบัติธรรมเราไมไ่รักษาโรคแต่ธรรมะย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมมันดีขึ้นมันหายเป็นผลพลอยไดนะ้ก็แค่เปลี่ยนชื่อไม่ต้องพูดอะไรมากนะก็หลายปีพ่อูเห็นมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเป็นเองนะอันนี้ต้องสิบกว่าปีแล้วละ่ะพ่อูไปในเมืองกลับมา ทีนั่นเฮ้ยคนมุงกันเป็นหมดเลยนอนแล้วมีคนคุมผ้าอะไรใครตายเด็กหนุ่งคนนั้นอายุยี่บสองเมียเขายี่สิบเอ็ดลูกเล็กก็มาด้วยพ่อแม่มาเพราะกลัวเป็นอะไรเขาบอกเขาเป็นเอทอ่ะแล้วมาที่นี่ทําไมที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลอะไรหน่อยเขาบอกไปมาหมดแล้วโรงพยาบาลก็ไม่รับละ แล้วมาที่นี่มีนี่มันมืดแล้วไอก็ให้เขาอยู่ให้เขานอนก่อนพรุ่งนี้เช้าพ่อคูก็คุยกับเขาพ่อครูเห็นจิตเขาจิตมันตกแล้วละ่ะมันรู้ว่ามันหมดหวังนะพ่อครูด่าเลยนะนะมึงไม่ต้องกลัวว่ามึงจะตายหรอกเป็นเอ็ก็ตายไเป็นเอ็ก็ตา ย, ตายฉันก็ต้องตายแค่นี้มันลุกขึ้นมานั่งเลย สมมติว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยนะเราก็ทํางานปกติพอไปตรวจปุ๊บมะเร็งปุ๊บซุดเลยเราสุดยังไม่ได้เป็นพเพราะมะเร็งซะเพราะเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งนี่คืออุปทานพวกคูเคยปรึกษาคุณหมอหลายท่านนะไปตรวจไอ้การที่สิทธิในการ ร, รับรู้ข่าวสารเนี่ยมันมีประโยชน์จริงไหมถ้ามันรู้แล้วเนี่ยเออมันมีพลังมากขึ้นต้องให้มันรู้นะถ้ามันรู้แล้วให้มันสุดเลย น, ยนี่นี่เป็นโรคใหม่นะคุณไปสร้างอุปทานในเขาเนี่ย แลวกว่าจะปิกอัพเขขึ้นมาเนยส่วนมากแฟงแล้วพิกอัพไม่ขึ้นทีนี้ไอ้ดิบเด็กตรง น, นั้นพกก่อครูไล่คนอื่นหนีหมดนะตอนนั้นไม่มีหลอกเวทีพราครูจับป็นต้นมะม่วงเนี่ยมันลุยกันอยู่ตรงนั้นแหละพราครูดูแลเองเลือดมันออกมาจากตัวนี่แตงไปหมดเลยมันขับออกมาอีกไม่กี่วันมันเดินขี่จั ก, กรยานช้ยเลย ถ้ามันปฏิบัติต่อไปเขาจะไม่ตายเพราะเอ็ดเอ็ดก็อยู่กับเขาเนี่ยเอ็มันไปทําลายภูมิแพ้ทุ่มให้ภูมิข่มกันเราแพ้เราก็ทําให้มันชนะแล้ว็มาสร้างภูมิกันให้มันชนะมันก็ไม่แพ้แล้วไงเอ็ดนี่ไม่ได้ตายเพราะเอ็ดตายเพราะโรคแทรกซ้อนแล้วพ่อครูเห็นสองคนนะตอนนั้นเป็นสอนอยู่ทางเหนือเนี่ยนั่นหละเอ็ทั้งหมดเลยเพ่อครูเป็นนอนอยู่พวกเขา มีสองคนบรรลุดวงตาเห็นธรรมเบื้องต้นเบื้องต้นก็คือว่าจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมเนี่ยเลื่อนเปลี่ยนเลยมันขบวนการใจนี่แต่ไม่สูตรสบเรียกว่าเออเธอมากี่วันกีวันคุณทํำยังไงคุณจะมันไม่ใช่สูตรอย่างนั้นมันเป็นบา ร, รมีเก่าก็ส่วนหนึ่งบุญก็ส่วนหนึ่งกรมรมก็ส่วนกรรมเมื่อเรามานั่งใจนี่กรรมแล้วเนี่ยขบวนการที่มันมั น, มนเบี่ยงเห็นไหม มันก็ทําให้เลือดลมมันวิ่งพุงคุ้มกันก็เกิดในแงก่กายภาพบําบัดมันก็ทําอยู่มันมีเหตุผลในตัวมันไม่ใช่เรื่องสยศาสตร์นะพเพราะครูเห็นจากตัวเองนะเป็นไมเกรนขนาดหนักความเครียดลงกระเพาะเพราะเราเป็นนักคิดผู้ยิ่งใหญ่เพราะเป้าหมายเราคือหาเงินแล้วก็คิดคิดคิ ด, ค, ดคิดเพื่อจะหาเงินมันก็ได้เงินจริงๆแต่มันหาความสุขไม่เจอหลังนะจากนอกจากเงินเต็มบ้านแล้วมีของแถมไปด้วยไมเกรนกับความเครียดลงกระเพาะ หลังจากระเบิดปึ้งหายเดี๋ยวนั้นเลยยี่สิบแปดปีไม่มีอาการอยู่โรคที่เกิดมาจากกำเนิดเลยนะมีลูกหมอคนหนึ่งอนะหมอนี่เป็นหมอเด็กด้วยนะอยู่มุกดาหารนะลูกชายจบมหลาลัยจุฬาเนี่ยนะจบรัชศาสตร์รับปริญญาเสร็จปุ๊บก็เอาไปทิ้งให้พ่าคูณอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าแม่เขาเป็นพยาบาลก็ เ, เป็นโลกกระพ่อไง ก็มานั่งเรมาหายที่นี่พ่อนี่เจ็บกระดูกนะเป็นหมอเองเนี่ยพอเรานั่งหมุนไปปุ๊บจิตมันจัดกระดูกแกรลอกแกบอกมันรูบมัก็หายแล้วก็ลูกมาทิ้งไว้เพราะลูกเป็นแกไม่ได้บอกพ่อครูว่าที่ลูกแกเป็นโรคอะไรนะเป็นโรคหอบผือตั้งแต่เด็กๆ เ, เลยนะ่ะคุณหมอต้องใช้ฉีดพ่นยาพอเขาปุ๊บก็ต้องฉีดพ่นพอวันที่เจ็ดอนะ่ะ พ่อแม่เขามารับนะก็อยู่ในศาลาลูกชายเขาก็ปฏิบัติเขาเป็นลงชักเขาเขาเป็นหอผืนอยู่ในกรรมฐานช่วยด้วยช่วยด้วยหายใจไม่ทันพ่อก็ไปหาไอยามาฉีดต้นเด็กเขาวิ่งไปบอกพ่อครูพ่อครูกน็นั่งนั่งคุยกับญาติธรรมอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ใน ใ, ในในโรงอาหารแล้วก็บอกเออป้อแขอยู่ไหมพ้าแขเออป้าแขกยูบบอกบอ ก, บอกมันตายเลยนะตายเลยนะ เดี๋ยวคิดได้ว่าไม่คนไม่ใช่คนปฏิบัติมันจะตายนะพ่อแม่จะตายก่อนพรากูก็บแลนีน่พิ่งเไปในสาลาเขาอยู่กับเราเจ็ด ว, วันเขาได้ยินเสียงพ่อกูเขาชื่อเกมนะเกมตายเลยลูกตายเลยมันยอมตายไหมมันก็นิ่งลงไปแม่เขาตัวสั่งเลยนะพอเขาเห็นลูกเขาฟื้นเขาก็มานั่งก่าพ่อกู เมื่อกี้นี่เขาเดินไปเดินมาพวกครูบัญชาเป็นใครเอาชีวิตลูกมาเสียงเป็นเสียงตายเขาลืมว่าเขาหายกระเพาะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเกมเดินเข้ามากลับพกก่อครูเขาบอกลูกเป็นยังไงบกสบายสบายแม่จะนั่งอีกหรือเปล่านั่งสิจากวันนั้นถึงวันนี้สิบแปดปีไม่เคยมีอาการอีกเลยพวกครูไม่เคยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่มันมีเหตุผลในตัวมัน เราไปนนี่กรรมเราก็ไปจ่ายนี่กรรมเราต้องจ่ายนี่กรรมด้วยความทุกข์เรารู้สึกทุกข์จริงๆนะถ้าพวกเรามีเวลายาวหน่อยเ น, นี่ยเราจะสบประสบการณ์ตรงนี้บางทีนั่งโอ้อยู่ในกรรมฐานโอ้ยเห็นตัวเองเป็นไก่ถูก็หักข า, กขาเพราะตัวเองเนี่ยเคยไปหักขาไก่พอหมดเวลาแล้วหยุดออกมากรรมฐานหายเลยเออกไปกินข้าวมานั่งเจ็บอีกเพราะโปรแกรมมันยังไม่หมด เมื่อเราจ่ายหนี้กรรมตอนนั้นแล้วเนี่ยมันผ่านเอาอยู่ที่ว่าเราจะแบกกรรมมามีกี่กรรมเนะพรูเือนนะยให้มันหมดเร็วนะเดี๋ยวจะไม่มีของเล่นสนุกมันจะได้เรียนรู้เรื่องกดแห่งกรรมไงเราชอบเราชอบสบายสบายนะไอ้ไม่สบายไม่ก็ชอบอเนาะเรากำหนดชีวิตเราไม่ได้นะบางครั้งนี่มันเกิดดูปทานเหตุหรืออะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ ไม่มีแม้แต่หนึ่งอยาเกิดขึ้นเลยลอยมันมีเหตุของมันอยู่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนมีกรรมไหมกรรมทั้งนัน้นถึงได้มาเกิดแต่อย่าดูถูกตัวเองอย่าประมาทนะเราก็มีบุญมหาศาลเวลาที่เหลือนี่เราเปลี่ยนชีวิตได้เราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรงไปเป็นเรื่องของเราเราจะบวกกุศลล จ, จิตหรือไปสร้างกรรมใหม่ก็ เ, เป็นสิทธิของเรานะ คนที่กำลังขึ้นแรงลุกก็ครูบอกนะเดี๋ยวเวลาเรามาครึ้นทางแล้วเนาะกดปล่อยมาหลดที่นี่มีพี่เรีย้ยงเพราะชีวิตเราบางทีมันกดดันสิ่งแวดลอนะ้อมเน่ยเป็นวิถีที่มันกดดันมากเอาออกให้หมดลุกเดี๋ยวเราจะสบายนะเอาออกให้หมดอย่าไปกดมันไว้แต่ที่นี่วัฒนธทําเป็นนิสัยต้องดนนะอดทนนะอดทนนะอดทนอดทนนะอดทนทําความดีไม่ใช่กดทนไปเก็บขยะไว้ นะอย่าไปรักษาโรคไว้นะเวียงมันทิ้งหมดเลยเอาชีวิตเราไว้ภาษาเนี่ยบางทีบงบอกนิสัยเรามีคณะอะไรนะสังคมสงเคราะห์ใช่ไหมเราเรียนจบมาเพื่อให้ให้สังคมมันสงเคราะห์เรานะไม่เคยมีวิชา ส, สงเคราะห์สังคมเลย <c oughs> นะคือทุนนิยมว่าจะนิยมเนี่ยเป็นแบบนี้หมด พรากูไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเพวกเากูเป็นในทุนใหญ่ในทุนข้ามชาตเลยค้าขายไปทั่วโลกนะเพวกเากูรู้ว่าเราถูกสอนมายังไงมีใครกะว่าค้าขายเพื่อให้มันขาดทุนบ้างไม่มีไม่มีใครสอนเรานะนะมีอยู่ที่บางไทยนะมีในโลวงราชการที่เก้าสอนนะขาดทุนของเราคือกำไรพระองค์ยิ่งใหญ่มากน่านแหละจิตซึ่งมีปัญญา ถ้าเราทำได้นั่นแหละคือความสุขถ้าเราขาดทุนโดยเราไม่ทุกได้เนี่ยมีสุขไหมอันนี้มีแต่จะกาไรกาไรพอขาดทุนมาเนี่ยทุกมากเลยพอได้แล้วก็ดีใจพอเสียมาก็เสียใจจริงจงแล้วเสียเนี่ยสมมติว่าได้ดีใจห้าสิบเปอร์เซ็นตเนาะเสียที่ต้องดีใจเต็มร้อยเลยนะเอ้าทำไมดีใจเต็มร้อยอย่างคุณหมอเนี่ยกว่าจะเรียนจบหมอตั้งแต่อนุบาล น, นับดูกี่ปี เรียนไปทําไมครับลงทุนลงแรงลงเวลาของชีวิตเพื่อต้องการมีความรู้ไงเห็นไหมพอเราทําอะไรพลาดปุ๊บนี่เป็นความรู้อย่างยิ่งไม่ต้องเสียเวลามากยังไม่ดีใจอีกเรารู้ว่าเราพลาดเพราะอะไรต่อไปเราจะสกุลรอบคอบมากขึ้นแต่ถ้าเราได้ตลอดนียเราจะชลาใจวันไหนเสียก็ บ, บกติค่าตัวตายเลยนะเพราะมันทําใจไม่ได้ ได้ก็พอใจเสียก็พอใจพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้ทำนะนั่นแหละ l อาลอ s อิสเอาเกนนะก็นั่งอยู่ที่นี่พวกกูถือว่าบุญเยอะมากเกิดมาในแผ่นดินไทยพวกกูไปมาทั่วโลกน ะ, จะเจริญแค่ไหนก็ไปมาแล้วลุยมาเล็กเลยนะไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราเรามีภาคเหนือ ภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือมีปิงวังยมนั่นอีสานมีโขงชีมูลภาคกลางมีหลายแม่น้าําแม่น้ําใหญ่คือเจ้าพระยาภาคใต้มีแม่น้ำตาปีเขาบอกอีสานแรงตั้งแต่เกิดมาพ่อครูไม่เคยเห็นแม่น้ํามันแห้งเลยประเทศอื่นที่มันแล้งก็คือแล้งเนี่ยไม่มีน้ําเลยนะแต่มันแล้งจริงๆ บ้านเราอุดมสมบูรณ์ที่สุดและอยู่ในโซนที่อบอุ่นเป็นโซนที่สุดยอดบางประเทศหนาวเกินไปบางประเทศร้อนเกินไปนะแล้วก็มาเจอคำสอนที่ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วก็มาพบในยุคในหลวงราชการที่9ก้าของเราซึ่งมีมหากรุณาธิคุณแล้วก็มีปัญญาพราะองค์ไม่ใช่ธรรมดานะ พระ อ, องค์ไม่ใช่เทพธรรมดานะพระ อ, องค์เป็นพระโพธ่สัตว์ถ้าจิตไม่ถึงตรงนั้นนะ่ะเจ็ดสิบปีทาอย่างนี้ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้พูดเฉยๆสอนนะทาให้เห็นอยู่ที่ว่าใครจะเห็นแต่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นแต่เรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่รู้ที่มาที่ไปของประเทศไทยลืมทั้งหมดอดีตมิจจะเอาปัจจุบันตรงนี้นะ สำหับพ่อครูแล้วเนี่ยชีวิต น, นี้พอใจพอใจขนาดไหนไม่กล้าจะมาเกิดอีกแล้วคงไม่โชคดีขนาดนี้ไม่ใช่เลือกเกิดได้นะมันมีบางรัที่เขาสอนนะบอกว่าอุย้ยชาติช่วงนี้นะ่ยปฏิบัติทรรยากไม่ต้องปฏิบัติทําบุญเยอะๆธรรบุญเยอะๆจะได้เกิดยุคพระศีอ่านนะพ่อครูว่าได้เกิดแน่แนอาจจะเป็นไสเดือนก็ได้ อะไรกันนังหนาเพชรเม็ดอยู่นี้ไม่เอาอว่าพ้พระเจ้าจะไปเอาฝรั่งสีอ่านดูกเกเรมันขยันพูดไหมเนี่ย <c oughs> มันมันขี้เกียบปฏิบัติไงโอ้จะปฏิบัติมันยากเนาะแค่ทำบุญเยอะทําบุญเยอะๆไปเกิดทุกฝั่สีอ่านเขาบอกง่ายๆแน่นอนอาจจะเกิดแน่ๆอาจจะเป็นไส้เดือนหรืมอมดกระไร ถ้าเราไม่ทำดีเรากำหนดชีวิตเราได้ไหมนะจริงๆแล้วเรากำหนดเราได้นะกำหนดได้ชีวิตเป็นของเราเราจะเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวขวาก็ได้ตรงไปก็ได้นะอันนี้พ่อครูเห็นชัดเลยนะมีแต่ว่าวินาทีที่เกิดระเบิดเมื่อบานจะเล่าให้ฟัง้ะเป็นยังไงนะพ่อครูเลิกนับถือพู้เจ้าทันจีเลยคาว่านับถือมันอยากไปบูชาสวาทชีวิตมันไม่ใช่เหตุผล ก็สิ่งที่เราพบเราเจอแล้วมันคือคําตอบวินาทีนั้นสามคืนสี่วันพ่คปูไม่ได้นอ น, น, นมันไม่ง่วงมันไม่หิวด้วยไม่ต้องกินอะไรเขานอนหลับเราก็นั่งเฉยๆนั่งทําอะไรนั่งเฉยๆพ่อปูถึงรู้ว่านั่งเฉยๆนะมันเกิดจากพ่อปู่เองถ้าบอกว่าถ้าเป็นสมัยโบราณเขาบอกนั่งเสพความรู้สึกสุขเหล่านั้นที่มันสุข เพราะว่ามันไม่รู้สึกกังวลไม่รู้สึกทุกข์เลยความเบื่อที่เราเบื่อมันหายไปไหนก็ไม่รู้ไอคนที่ไปเบื่อถูกระเบิดตายไปทิ้งเลยไงนั่นคือความสุขสุขเพราะว่ามันไม่มีทุกข์เลยนะแล้ววันที่สี่เขาตื่นแล้วเราเราก็ลุกจะไปห้องน้ํามันเกิดหมุนอีกเรากลัวจะล้มก็ไปนั่งในพื้นกั็ระเบิดตูออ้อีกทีนึงตอนนี้ไอแสงนั้นก็หาย ที่มันไม่ม่วงมันหลับไม่ได้เพราะหลับตาลืมตาสักลางวันกลางคืนไม่ต่างกันมันสว่างหมดปกติชีวิตเราถ้านอนไม่หลับผ่านออกินไม่ได้ถ้ากินไม่ได้ผ่านออนอนไม่หลับนะมันกังวลนะอันนี้มันทําให้เราดูว่าไม่ต้องกินไม่ต้องนอนก็สุขแล้วสามสี่วันนั้นอ่ะหูทิศตาทิศรู้ไปหมดไกลแค่ไหนก็ได้ยินอะไร มันถามว่าเอาไหมเอาไหมถ้าตอนนั้นไปหลงเอาไปยังไงแล้วก็เป็นแค่ของผู้พิเศษไม่เอาสิ่งที่เราพบแล้วไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กวนะ่านั้นอันนี้คือมารตัวสุดท้ายนะถือว่าเตือนพวกเราเวลาเบี่ยงเข้าไปเนี่ยไปเจออะไรพิเศษเนี่ยเบี่ยงทิ้งใหม่ๆศูนย์นี่มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เลยนะมียานรู้นะ พระครูบอกเบี่ยงทิ้งเขาไปประชุมกันพูดเบาๆนะว่าอย่าไปเชื่อพรอครูนะเพราะเกินพรอครูได้ยินเนี <laughs> <laughs> เรื่องอะไรเหวี่ยงทิ้งหาว่าเกือบตายติดบ่วงแล้วเขาบอกว่าเรายิ่งใหญ่มาแล้วไงเราถึงได้มาเกิดไงเมะเหวี่ยงความยิ่งใหญ่ทิ้งซะมันจะได้พ้นทุกข์ไงวินาทีที่ผู้เจ้ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในจักรวาล เป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เป็นวินาาีที่พระองค์ไม่เหลืออะไรเลยที่เขาบอกว่าวันวิสาขบาูชาเนี่ยนะเป็นวันที่ผู้เจ้าประสูติตัสรู้และปรินิพานเนาะเป็นวันเดียวกันต่างกันที่ปีนะวันเดือนต่างกันต่างกันที่ปีแต่พระครไม่คิดอย่างนั้นเป็นวินาทีเดียวกัน วินาทีที่ก่อนจะตัดสะลุรเจ้าชายศิทธัตถะถุกฆ่าทินะ้ตายแล้วตัดสั้นรูเวลานั้นผู้เจ้าเกิดขึ้นเวลานั้นวินาทีเดียวกัน <Yeah. S 1> ถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นเราก็จะเข้าใจนะเจ้าชายศิทธัตพระองค์ตัดสรู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าพรพระองค์เศร้าพระองค์ไม่ได้ทุกข์รนอะไร แต่พระ อ, องค์สร้างมหากรุณาที่คุณมาหลายภพหลายชาตินะเป็นโพธิสัตว์เนี่ยเห็นอะไรก็เศร้าสงสารสงสารสงสารสงสารนะความเศร้าทําให้พระ อ, องค์วางความสะดวกสบายสนุกสนานออกไปสแสวงหาผนการจนผนการในการพ้นทุกขณะพระราหุนเกิดมาให ม, ใหม่ได้เจ็ดวันกําลังน่ารักอยู่พวะกุมามาใหม่โดนลํามแย่งเอ๊ะ โดนยำเละเลยนะบ้าคุยวเจ้าก็เหมือนกันไม่นับถือหรอกสมัยเป็นพระเวสสันดรเนี่ยออมอบการหาชาลีให้ขอทานเพราะกูบอกถ้าให้เศรษฐีเนี่พอใจใช่ไหมท่านก็เป็นเศรษฐีอยู่แล้วเป็นองค์ชายอยู่แล้วยังไม่เอาเลยทําทำไมให้ขอทานรู้ไหมถ้าเราไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรม ให้เลยใช่ไหมถ้าไม่ใช่บริษัทจริงทาได้ไหมบางคนบอกว่าไม่นับถือแล้วก็อยากไปนิพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมียเขาไม่นับถือบอกคุณพิสูจน์ยังไงท่านทิ้งลูกทิ้งเมียไม่ใช่ถึงลูกทิ้งเมียเฉยๆนะทิ้งแผ่นดินเลยถ้าพระองค์ไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยเรามีจะมีจะมีผู้ทีเจ้ากราบไหว้หรือเปล่าวันนี้ท่านไม่ได้ทิ้งท่านวางชั่วคราว พระ อ, องค์รู้ว่าขืน อ, อยู่ต่อไปพระ อ, องค์ก็ไม่พ้นทุกลูกเมียของพระ อ, องค์ที่รักลาสดรอนของพระ อ, องค์ก็ไม่พ้นทุกพระ อ, องค์จึงไปสแสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกแล้วสุดท้ายพ้นแล้วทิ้งไหมออกอมาโกดบรรลุทรงหมดพระ อ, องค์ไม่ได้เสียสละพระพ อ, องค์ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่พระครูก็โดนทั้งญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่รักกันมาก นักวิชาการไปวิจัยประวัติพ่อครูนะดูว่าเป็นยังไงพ่อครู ม, มีอย่างเดียวที่ไปอยู่ในปาน่า น, นะะคือบ้าบ้าหรือเปล่าพกพูดให้ฟังนะบางคนก็สรัทาว่าทําไมพม่อครูเสียสละขนาดนั้นพ่อครูบอกพระครูไม่โงงที่จะเสียสละชีวิตทําเล่นเหรอพรอครูมาทําในสิ่งที่มันควรทําเรื่องอะไรจะไปเสียสละการให้คือความยิ่งใหญ่นะ ก็หมออย่าง้นแหะคนหนึ่งมาถามว่าพ่อครูถามตรงๆเถอะไม่ใช่แค่บอกว่าถามนิดหนึ่งไนดะ้ไหมไม่ได้ต้องถามเลยเยอะที่พ่อครูบอกว่าพวกครูหยุดแล้วเนี่ยแต่การกระทาพวกครูมันสูญทางเลยสูญจิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากท้องมาศูนย์พัฒนา ช, ชีวิตพิษเศษอะไรก็ไม่รู้เหมือนปากว่าตากระยิบเนาะพ่อครูกูบอกก็ใช่ไงก็หยุดแล้วถึงทงําไยเขาก็งงใหญ่ มันแปลว่าอะไรถ้าพวกครูไม่หยุดทำเพื่อตัวเองแล้วจะมีเวลาที่ไหนทำให้กับคนอื่นหยุดแล้วถึงทำไงถ้าสมัยเราสร้างฐานะอยู่แล้วจะมีเวลาจะมาทาพวกนี้หรอือเพราะฐานะเรามันยังไม่พอไงมันยังช่วคนนั้นคนนี้ไม่ได้ไงนั่นแหะหยุดแล้วถึงมาทาแต่ไม่ใช่ทุกคนต้องเรียนแบบพวกนี้เรียนแบบไม่ได้ถ้ากำลังเราไม่ถึงจริงๆอย่าฝืนทำเลือกทำแค่พอดีเท่าที่เราทาได้ นั่นคือทางสายกรารอย่าไปคั่ปี้ใครนะพวกกูก็ไปอบรมก่อนพิทักษ์ดรก้อยนะเขาก็ศรัทธาเขาลองมาสองปีแล้วเขาก็ประกาศเลยว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกเอาโปรแกรม s อสเนี่ยไปสอนเด็กๆก็จิตอาสาก็ปรึกษากันยังไงว่าเออเราจะเอาก่อนพิทักษ์เป็นโมเดลเรเอาไปเข้าทุกโรงเรียน แกแกบอกยินดีก็จะทำนะแต่แกก็เตือนว่าบางทีเขาจะเอาไปทำธุร ก, กิจอะไรเนี่ยเพราะคุณได้ยินข่าบอกอก็ตะ ก, ก้อยเรื่องจิตวิญญาณมันก็พีเัินไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่ตั้งใจจะมีศรัทธาเดี๋ยวเดินไปมันเจอมาทีนึงก็ตีลังกาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่สินค้านะไม่ใช่ i p แ d i ไอโฟนที่ทุกคนใช้เหมือนกันหม ถ้าไม่ตั้งมาสถาทไม่มีเมตตาเยอะๆแล้วเนี่ยคุณสู้มันไม่ได้หรอกไม่ใช่เรามาทำที่นี่อะไรไม่เคยมีปัญหาเนี่ยแต่สำหรับเราไม่ใช่ปัญหาความเมตตาการุ่นาเนี่ยทาให้เราข้างคนไปได้แต่ถ้าเราจิตไม่บริสุทธินนะเส้นทางเส้นนี้ไม่ง่ายแต่เราคนเหมือนกันนะเราเข้าไปในจิตเราจะปลดปล่อยจิตเราแต่อ้นนี่สิ่ที่เราสร้างไว้กระแสกางส้านไว้เนี่ย มนไม่ปล่อยเราง่ายๆนะผู้จอบทึ่งบอกต้องจับศรัทธาไว้ต้องมีขันติเมื่อไงเราผ่านไปได้มันเนียนมากนะมีกันเลยมีคนนึงนี่หลายปีเรามาจากกรุงเทพไปนั่งอยู่ที่ศูนยะ์นั่งแล้วมันลอยล้มปึ่งจิตมันจะออกจะออกไม่พอก็ขึ้นมาปัน้นปั้นใหม่มันก็ลอยปึ่งบางคนมันหยุดทางหัวเราปึ้งหลุดพ้นเลยนะ พออีกครั้งนึงกำลังจะลอยข้าไในมันบอกว่าพวกครูบอกให้เปลี่ยนที่นั่งใหม่เขาลืมตากล้บมาไเห็นพ่อครูเขานั่งร้องโ how เลยโดนหลอกไอ้ใจเรามันสุดยอดนางมาลายอยู่ในนั้นแหละเขากลัวว่าจิตหลุดพ้นมันจะคอนโทรลจิตเราไม่ได้ไม่มีที่ไหนนะมาที่สัมพันธ์ที่สุดก็คืออยู่ในใจเรานี่แหละมันเอาเนียนมาก บาทีเอาสู้ตายนะเอาจริง ๆ, ๆผมแรงจริงๆปุ๊บมันจะมันจะสัมออยว่าเ <c oughs> นี่ยเธอกำลังจะขาดใจแล้วอู้จู ด, ดีกว่าเ <c oughs> <c oughs> พราะครูจึงบอกว่าการจเจริญวิปัสนาจะแนวไหนก็ช่างก่อนจะนั่งปุ๊บกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วฝากชีวิตเรากับพระพุทธเจ้า ก, ก่อนไอคนที่นั่งแล้วไม่มีชีวิตละอย่าประมาทนะ มันเกิดขึ้นได้ทุกทุ ก, ทกวินาทีบางทีกว่าบ้านอยู่เนี่ยถ้ามีสมาธิกว่าตุ้มเนี่ยระเบิดตุ้มเลยกำลังทาสีอยู่เนี่ยระเบิดเลยนะเพราะว่าถ้าเรามาเส้นทางเส้นนี้แล้วเนี่ยสมมติว่าเราสะสมแต้มมาเก้าสบเก้าแค่วินาทีนั้นเราบวกพลังสมาธิสติเข้าไปอีกหนึ่งนะระเบิดได้ตลอดเวลาอย่า ก, กลัวนะอย่า ก, กลัว ถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยช้างดึงก็ไม่อยู่ถ้ายังไม่ถึงเวลาเข็นอย่างไรก็ไม่ไป <c oughs> แต่แล้วต้องมีวันเริ่มต้นนะต้องมีวันเริ่มต้น <c oughs> ก็แก้วชิบนี่แหละแล้วก็คุยให้ฟัง <c oughs> มีญาติทางที่เขาติดบุญอนะไปทำบุญทุกแย่กงมไปทำบุญที่สูงเสร็จแล้ววันนั้นแก้วชิพเขาลังคนอิมให้ดูนะนะเขาศรัทธามาบอกแก้วให้พรพี่หน่อยบอกเออ ก็ให้พี่เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานในวัยนะพี่ยังไม่อยากไปพี่ยังไม่อยากไปเขากลัวเ้าไปนิพพาน <c oughs> ทั้งหมดคือแน่นอนความไม่รู้ของเราส่วนหนึ่งก็ถูกบดบังด้วยความรู้ผิดเราเข้าใจว่าความสุขของชีวิตเนี่ยต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะพ่อกูก็ถ่ายทอดประสบการณ์ว่าความสุขที่พ่อกูสัมผัสนั้นนะ มันคืออะไรที่จริงเรามีโจทย์เดี๋ยวมันมันเวลายังไงสามโมงนี้จบเลยใช่ไหมออสามโมงปฏิบัติหน่อยเเวลาิดีหนึ่งโอเคพักครูเลยเวลาสิบนาทีพักครูอธิบายตรงนี้หน่อยหนึ่งกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่กายฟิตจิตเฟิร์ม อารมณ์ดีเป้าหมายคือชีวิตมีสุขแต่กระบวนการทําให้ชีวิตมีสุขเนี่ยนะต้องทําให้กายพิจิตเฟิ่องอารมณ์ดีนะชีวิตประกอบด้วยสามอย่างถ้าถ้าถ้าพูดว่าเริ่มต้นคือกายจิตอารมณ์ถ้ามีกายไม่มีจิตความมีชีวิตก็ไม่เกิดขึ้นนะถ้ามีกายไม่มีจิตอารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นถ้ามีแค่จิตไม่มีกาย อารมณ์ก็ไม่เกิดขึ้นเหมือนเทวานานะทีนี้กระบวนการเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาร่างกายแข็งแรงฟิตเน็ฟิตเน็ไปไปพ่อกายอย่างเดียวแต่จิตไม่แข็งแรงนะพอผิดหวังมา ก, ก็ฆ่าตัวตายเพราไปฝึกจิตก็เอาจิตนิยมอย่างเดียวแต่จิตไปนั่งทรมานสังขาร น, นะนะคือเราแยกส่วนตลอดนะ <S 2> <S 2> <S ใช่ไอ้ไอ้โปรแกรมที่เราทําทั้งหมดจนถึง ต, ต้นจนจบทุกโปรแกรมเนี่ยไม่ทิ้งกายจิตอารมณ์ ไปด้วยการหมดนะโอเคเป้าหมายที่เราประกอบกายเนี่ยกายเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำลมไฟมันเป็นรูปประทํงนะถ้าเอาเป็นเอาขันห้าเป็นหลักเลยเขาเขาตั้งอย่างนี้เขาตั้งกายแล้วก็อารมณ์แล้วก็จิตนะรูปคือกายเวทนาสัญญาสังขารสามอย่างนี้คือเจตสิกเป็นเรื่องของอารมณ์นะ จิตนี่คือวิญญาณขันนะแล้วก็รวมทั้งหมดเป็นขันห้าเป็นขันห้านะอันนี้คือส่วนประกอบของชีวิตคาว่าชีวิตคืออะไรชีวิตประกอบด้วยขันห้านี้นะนี่คือชีวิตนะถ้าถ้ากายไม่แข็งแรงเลยเราจะทำให้จิตเฟิร์มนี่ก็ยากไม่ใช่ไม่ได้นะแต่ยาก นะถ้าจิตไม่เฟิร์มเนี่ยอารมณ์ดีก็ไม่ได้ถ้ากายแข็งแรงแต่จิตไม่เฟิร์มนะกายฟิตแต่จิตไม่เฟิร์มเนี่ยอารมณ์ดีก็ยากนะแต่ถ้าจิตเฟิร์มถึงกายจะไม่ฟิตก็ช่างเนี่ยอารมณ์ดีก็ได้ยกตัวอย่างนะเร็วๆนี้ไทยพีพีเอก็มีมีมาใช้ดํา่องหนึ่งพี่แนน พี่แนนเป็นเด็กสาวนักศึกษาปี 3, สามศรีนครินที่กรุงเทพเป็นคนนครสวรรค์พี่แนนแขนสั้นขนาดนี้สองข้างมีนิ้วนิดหนึ่งขาเนี่ยก็ใส่ขาเทียมเดินขี่หัวกะเพรแต่วันนั้นเขาออกรายการนะหน้าตาแกา ย, ยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคยส่อเห็นความลึกๆว่าอมความเศร้าเลยเขาก็ไปสัมภาษณ์เพื่อนแกว่าดูแลพี่แนนอย่างไรเพื่อนเบอกว่าส่วนใหญ่พี่แนนดูแลเพื่อน ปอบใจเพื่อนตลอดเห็นไหมกายไม่ฟิตเลยแต่จิตเฟิร์มมากพี่แนนเรียนเขียนยนิยมบันดังเลยทุกอย่างจบอยู่ที่จิตแต่ถ้าว่าจิตเฟิรม์มแล้วก็กายแข็งแรงด้วยเราก็สามารถทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นคือความสมบูรณ์นี่แหละโปรแกรมเนี่ยคือคำตอบของชีวิตนะโอเคคำว่าชีวิตประกอบด้วยขันห่านะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะแล้วก็ปูนราการเราฝึกมันตรงนี้ให้มันรู้เท่าทันลูกมากระทบปุ๊บรู้เท่าทันตัดอย่าให้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันปูงต่อขันห้าปูงแต่งแต่งไม่ได้นะอันนี้ในแง่กระบวนการฝึกทีนี้ไอ้ตัวสําคัญคือชีวิตชีวิตมีสุขไอ้ตัวสุขนี่คืออะไร ตัวสุขนี่คืออะไรนะสุขมีหลายระดับที่วันที่ชีวิตเราตรงนี้สุกสุเด็ๆแด้วก็สุขแล้วก็ทุกมันเป็นสุกสุเด็ๆมันไม่ใช่สุกแท้เป็นแค่ความสะดวกสบายความเพลิดเพลินความสาใจความพึงพอใจแต่มันไม่เที่ยงนะสุขที่พระคูหมายถึงว่าอารมณ์ที่เราไม่รู้สึกไม่มีการทุกข์เลยความสุขที่แท้จริงคือความไม่มีทุกข์ ความไม่มีทุกข์ที่แท้จริงคือความอิสระจิตอิสระตลอด24ชั่วโมงเพราะคนที่มันจะทุกข์เนี่ยมันไม่มีแล้วอันนั้นคือสุขสุดยอดของความสุขซึ่งเขาใช้ควาว่านีน่พานเป็นสุขอย่างยิ่งเรามีเป้าตรงนั้นแต่เราเดินถึงมาไห่กระชั่งช่วงที่เราเดินเราเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยเราไม่พ้นทุกข์เราต้องสุขไว้ก่อนคือสุขแบบโลกิยะก็ได้แบบน้ น, นะนะต้องป้องกันอย่าให้เราเผลอไปทุก เพราะูถึงเน้นว่าอย่าอดทนทำงานเพื่อความสุขจงทำตนให้มีสุขเมื่อได้ทำงานสุขทุกเมื่อที่เราทำงานแต่ถ้าเราไม่เข้าใจชีวิตเราจะสุขไม่เป็นเพราะชีวิตถูกสอนว่าเธอต้องสำเร็จก่อนเธอจะมีความสุขเราก็เลยทุกเพราะกลัวที่มันจะไม่สำเร็จทุกเอาชีวิตเราไปทุกเพื่อจะสร้างความสำเร็จในอนาคตเราไม่ได้ทําเพื่อชีวิตเลยเราทาเพื่ออนาคต ชีวิตเราคืออะไรเนี่ยคือขันห้าแล้วก็บรรดลงได้ด้วยอะไรลมหายใจชีวิตคือปัจจุบันไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตอดีตเราเป็นนึกคิดจนตายเราก็ไปแก้ไม่ได้อนาคตรเราคิดจนตายก็ทาไม่ได้เพราะยังไม่ไปถึงเวลาชีวิตเราคือเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีสติรู้ตัวตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเนี่ยนะถ้าเรามีสติต่อไปเราไม่มีเหตุผลที่ทำให้ตัวเองทุก ที่พวกครูยกตัวอย่างว่าเขาเป็นหนี้เราไปดา่า แ, แล้อะไรกันแล้วมันวกฉันไม่มีให้นะเขายอมให้ถูกด่ากลับมาบ้านคิดถึงมันอีกโกรธอีกนะจนนอนไม่หลับเห็นไหมขาดทุนหลายต่อนะขาดทุนเงินไม่พอขาดทุนชีวิตเสียใจขาดทุนสุขภาพอีกเพราะเราไม่ปล่อยไม่วางเพราะเราไปเข้าใจว่าชีวิตเราเนี่ยต้องมีเห็นไหมเราทุกข์เพราะมีนะ เราไม่ได้ทุกข์เพราะเราไม่มีนะเราทุกข์เพราะเรามีมากเกินไปอันดับแรกคือเรามีกรรมเราจึดได้มาเกินนะแล้วก็ไปสร้างกรรมใหม่อีกเดีวไปใส่ความรู้ผิดเข้าไปแล้วก็ไปตั้งโจทย์ให้ชีวิตว่าไปทำเพื่ออนาคตทีนี้ก็ทุกข์เพื่อจะไปสร้างอนาคตทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดครับได้เท่าไหร่ก็เป็นแค่นั้นต้องกำไรความสุขทุกวันถ้ามันทาได้คือผลปลอยได ถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่ได้เสียอะไรเราสุขมาแล้วไงเนี่ยถ้าเราเข้าใจชีวิตนี่ง่ายมากง่ายหมดเลยไม่มีเหตุผลต้องทําให้กับตัวเองทุกไอการที่เขาเป็นหนี้เราเขาไม่จ่ายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้ น, นลอยหรอกสัตว์ชาติในชาติหนึ่งเราเคยเป็นหนี้เขาพ่อครัเล่าให้ฟังนะหลังจากกลับไปอเมริกามาเยี่ยมเยยมไมมีใครรู้จักเพื่อนที่อยู่กรุงเทพอยู่เชียงใหม่เขาสืบรู้ทยอยไปมอบตัวทีละคน บางคนหอบทองคําเป็นถุงเลยนะสมัยก่อนมันไม่ได้แพงนะยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยมันบาทเนี่แค่สี่บาทเอ้สี่ร้อยทันใช่ไหมสี่ร้อยใช่ไมสามสิบกว่าปีฮะสามสิบ <30, S 1> ใช่ไ ม, <30. S 1> มันเป็นสี่ร้อยนานนะสมัยก่อนนั้นพลาญลงมีเงินเดือนสี่พันเขาซื้อทองคําได้สิบบาทตอนนี้ประหัดตีบรรจุหมื่นห้าซื้อบาทเนึ่ยก็ไม่ได้่ มนุษย์เราถูกหลอกนะว่าเราก้าวหน้าเรามีเงินเดือนมากขึ้นแต่ซื้อทองคำไม่ได้เงินมันน้อยลงนะวิ่งจวิ่งวิ่งวิ่งหาเงินเยอะเอะเยอะก็ใช้เยอะใช่ไหมโอเคหยุดดีกว่าไม่งั้นโดยเวลาต้องมีวินัยเดี๋ยวค่อยพูดกันต่ อ, อก็ท่านใดจะไปห้องน้ำก็เชิญ น, นะครับท่านใดไม่ต้องยืนขึ้นครับอันนี้อันนี้โปรแกรมอะไร อาเวียงเียงไม่ต้องยืนครับนั่งนั่เข้าห้องน้ำก่อนครับ